วิภาคษาเรียกว่าปฏิบัติธรรมจริญสติเปลียนน่ยนน่ยปฏิบัติคือเปลียนนยปล่ยนน่ยเตลี่นหลงเป็นไม่หลงเนี่ยพิภาคษาจอมผัดดูว่าจะต่างกันไหมโดยวิภาคษาตุลาการสติปัฏฐานตักปฏิบัติ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 เราจะต้องยอมรับรือเนี่ยพิภาคษาเลมันมีเมื่อเกิดมีไม่เกิดเมื่อแฉมีไม่แฉมเมื่อเจ็บมีไม่เจ็บเมืเ่อตายมีไม่ตายมันมีอยู่อย่างนี้สิทธะเราเป็นโจทย์ตัวเองเราเป็นจำเลยตัวเองพิภากษาตัวเองจดพน้น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 สร้างก็อันเดียวกันไม่ใช่หนีไปไหนอยู่ที่ตัวเรานี่จ่เริ่มซาที่จะเหนือจิตเรานี่ก็เหนือการเกิดเจ็บเจบตายก็คือต้องแต่ <c oughs> เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลง ไ, ไปมีไหมไมันมีหลงไหม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 เอากายเป็น l ิมิตเสียก่อนตั้งไม่เสียก่อ น, เ อ, นเอาสยบรรทัดเสียก่อนเอาสัยเครื่องหมายเสียก่อนเหมือนเราเดินใต่สะพานไม่ท่อนเดียวต้องจับลาวไปก่อนถ้าไม่จับมันจะเซยลงไปตกสะพานหลง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 เราจึงมาศึกษาดูซิมาจะเห็นนิมิตเห็นกระแสผูท้ที่เจริญสติปัฏฐานนี่มักเห็นกระแสแห่งพระในผ่านเว е ลาบันหลงมันมีไม่หลงกระแสเว е ลาบันโกรมันมีไม่โกรธกระแสนั่นแล้วเว е ลาบันทุกมันมีไม่ทุกขนะ์กระแส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 เป็นความกลัวไปเลยมันยากทำยากไปเลยถ้ามาหัดกายก่อนมันก็ค่อยอ่อนลงอันจิตก็ง่ายละวนะันเราจึงหัดถ้าไม่หัดมันไม่เป็นไม่ใช่รู้ไม่ใช่สมองหรอกกมรมฐานมั น, นมต้องใช่สมอง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 เกิดการชัารวมทังบอลเองเป็นลั่ไปเองเหมือ น, นธรรมนครนที่พระเจ้ทาทรงสแสดงศีลเป็นลั่ศรัทธาปียติอวิเป็นสเสลเนียดที่พระเจ้าสแสดงไว้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 เป็นทางแยกอยีกันหนึ่งอย่าหลงทำจะว่าทำข้อที่ทางแยกที่สี่สี่แพ่งสี่แพ่งเปความงงหอาห่อทอนความหลงเลสสงสัยความชิดพุงช้านการกมาราคะปฏิฆะมานาทิฏฐิเป็นธรรมไปครอบความชีวิตของสัตว์โลกอย่าหลง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 เป็นความชนานาญในการเดินทางให้ผ่านเป็นทางผ่านไปเอาความหลงไว้หลังเอาความโกรธไว้หลังเอาความทุกข์กกไว้หลังมันก้กาวหน้ามันมีความสาเร็จได้มันเป็นไปได้ให้ผลได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ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 นนาทีละลูกเ่้ามองก็สามพันหกร้อยวินาทีสามพันหกร้อยลูมันก็จะเป็นมหาลูกหรือว่ามหาสติปัฏฐานเมื่อลูกมากความหลงก็น้อยลง <c oughs> เมื่อหลงมากความลูกก็น้อยลงตอนนี้อย่างนี้เป็นคู่อย่างนี้ได้แล้วก็ทำได้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 แค่นี้ก็หลงแนละ้วมันทุกข์ก็ยิ่งเห็นชัดยิ่งมันโกรธตัวยพอใจเหมือนกับส่องกระจกเงาเห็นหน้าตัวเองรีบเหมือนไปตกใจขารีบปัดออกตอนความโกรธที่เกิดกับจิตกับใจเรามันรีบปล่อออกเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์เนี่ยมันถูกต้องที่สุดไม่ใช่ว่าถ้าแต่โกรธแล้วไม่ลืม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 ในจั ง, จงชีวิตของเราเนี่ยมันก็ดุร้ายนะน่ากลัวอะไรก็มาก่าน่ากลัวเท่ากับคนถ้าเป็นมนุษย์ก็พอเพิ่งได้คนมันปนเปยคมร้ายค่มดีถ้ามนุษย์นี่สูงขึ้นมาหน่อยอะหลงเป็นหลงเรียกว่าคนทุกข์เป็นทุกข์เรียกว่าคนโกรธเป็นโกรธเรียกว่าคน รักเป็นรักคนพอใจไม่พอใจเป็นคนตัวมนุษย์เขาไม่ไมเขาไม่หลงตรงนี้น ม, มันหลงเหตุบานหลงไม่เป็นผู้หลงเป็นมนุษย์ไม่ใช่สอขาสองแขนมันบ่งบอกถึงจิตปินญรที่มันผึกหัดมาถ้เาเปลี่ยนเนี่ยมนุษย์ มนุษย์เท่านั้นที่เป็นพระได้คนเป็นพระไม่ได้มีแต่เป็นตกตะลกภาคเหมือนกับขนของโคถ้าเป็นคนน่ะแต่เป็นมนุษย์นตกตะลุกได้น้อยเท่ากับเขาโคเพราะเขาเห็นเขาไม่เป็นมันทําได้อยู่เพียหลงเห็นมันหลง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 เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ตั้นละมนุษย์ไปแบบ น, น, นี้เป็นไปเพื่อความอดพ้นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปรรัญญานิพพานพระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อต่างออกจากทุกข์ เป็นไปเพความสงบปเป็นไปเพื่อปัจจินิพานปัจจินิพานคือมันหมดตอนที่ความรอจัหมดไปเลยก็โกรธจะหมดไปเล ย, ย, เลยความทุกข์อาจจะหมดไปเลยไม่มีเชื่อเลยถ้าก็พึ่งพาใส่กันได้เราก็พึ่งได้พึ่งตัวเองได้แต่ลานี่เราพึ่งตัวเองไม่ได้นะไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นจังไร คุมล่คุ้มดีอันตรายเพราะอะไรเพราะมันยังเป็น จ, จำเลยเขาอยู่แล้วแต่เขาจะสั่งเขายังเป็นโจ์เราอยู่ไม่เคยพิาพากษาตัวเองใ ห, ให้ให้มันพ้นไปพึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีใจก็พึ่งใจไม่ได้ <c oughs> เอาความสูกความทุกข์ไปห้อยไปฉันมากับใจ เอาความสุขความทุกข์ไปห้อไปแขนกับกายมันใช้ได้เมื่อไหร่เหมือนเอาอาศัยอันเดินเป็นนิมิตต้องเป็นอัตตาอัตนาโถต้องไม่เป็นอะไรชีวิตของเราไม่ต้องเป็นอะไรเห็นทุกอย่างเหนือโลก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 จะเป็นยังไงคิดของเราทีุ่ดก็คือไม่เป็นละลายกับอาไรยเป็นมงกุฎ ธ, ธรรมสูงสุดมงกุฎ ธ, ธรรมเหนือทุกอย่างเราะเห็นทุกอย่างที่เกิดกับา่ากับใจไม่มีลบรี้ที่ไหนเราลุทะหลวงในบทมันเรียนจบได้ไม่ควรจะมีปัญหาอะไร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 มันคือแค่ตรงนี้เราในมันเคยถกรอยอะไรมามีลอยลักรอยแชน่นรอยสุกรอยทุกรอยได้รอยเสียเต็มไปหมดเลยเหมือนรถเือสองมาซ่อมมาเข้าอู่มันหลงก็รู้นะซ่อมแล้วมันโกดันทุกมันชิดไปก็รู้ลยซ่อมขึ้นมาให้มันดีขึ้นมา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 กับพระพร้อมกัน